เมื่อส3งสามวันก่อนมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งที่มันให้ง่ายคิดเป็นข่าวดาราไปแจ้งความตำรวจว่าสาวใช้ขโมยโทรศัพท์แล้วก็ทรัพย์สินไปจากบ้านของเธอ สาวใช้นี่ที่จริงก็ไม่ไมไมไมไมเชิญเป็นสาวใช้นะก็คือเป็นคนที่จ้างมาดูแลคนไข้คนป่วยเดี๋ยวนี้คนในกรุงเทพคนในเมืองนี่เวลาพ่อแม่ป่วยหรือว่าคนในบ้านป่วยนี่ไม่มีปัญญาดูแลนะเพราะต้องไปทำงานโดยเพพาะจะเป็นป่วยแบบติดเตียงนี่ก็ถ้าเข้าโรงพยาบาลก็แพงมากแล้วก็ไม่จําเป็น ก็ต้องจ้างจ้างเขาเรียกผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลก็ดูแลจนกระทั่งเขาจะว่าคนไข้เสียชีวิตก่อนที่สาวใช้นี้จะออกจากงานออกจากบ้านก็ดาราคนนี้ก็บอกว่าเขาไปขโมยโทรทัศน์ ก็เลยตำรวจก็เลยไปตามสาวชช้คนนี้มาบังเอิญก็มีคนหนึ่งเขาดูข่าวนี้คงเป็นข่าวทางโทรทัศน์นนะเห็นหน้าสาวใช้คนนี้ก็ตกใจเพราะว่าสาวใช้คนนี้ก็ก็าลังมาดูแลพ่อของเธออยู่จ้างมาได้สิบวันละพ่อเธอก็ป่วยเป็นมะเร็งนะก็ ต้องจ้างมาดูแลเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนะจ้างแพงด้นะมื่นเจ็ดพันมันไม่ใช่แค่สาวใช้ธรรมดานะบางทีเงินเดือนสูงกว่าครูอีกสูงกว่าข้าราชการเพราะว่าเดี๋ยวนี้หายากนะคนที่จะมาดูแลคนไข้ต้องมีความรู้นะต้องรู้จักการเช็ดตัวการให้ข้าวให้น้ําการบางทีก็ต้อง เอาเสเตลเลตออกรวมทั้งเช็ดขี้เช็ดเดยวด้วยเจ้าของบ้านคนนี้เขาก็ตกใจโอ้ยไอโจขโมยนี่มันนอนอยู่ในบ้านเดียวกับเราหรือเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกแรกขโมยนี่มันนอนอยู่ข้างเตียงพ่อเรานี่เองเขาก็ถามสาวชายว่าจริงหรือเปล่าวันนี้ก็ก็ต้องถือว่าเขา ไม่ได้เชื่อง่ายไม่ได้เชื่อตามข่าวสาวใช้ก็บอกว่าไม่ได้ขโมยมันเป็นโทรทัศน์ของเขาเขาก็ไปซื้อมาก็มีใบเสร็จมีอะไรพร้อมนะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็นี่ก็เป็นเหตุผลของสาวใช้ตำรวจก็ตามตัวมาเจอแล้วก็จับสาวใช้คนนี้ไปเจ้าของบ้านคนนี้เขาทำยังไง เ้าก็ตัดสินใจไปประกันตัวออกมาก็จ่ายไปห้าหมื่นค่าประกันก็มีเพื่อนๆได้ข่าวก็มาทวงติงว่าไปประกันให้มันทำไมนะมันเป็นโจรมันเป็นขโมยเธอก็เหตุผลว่าจะไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นขโมยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแค่คำกล่าวหาเฉยๆ และตัดใดที่ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าผิดนะก็ต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิก่อนอันนี้เธอก็เรียกว่าก็รู้จักนะรู้จักใช้ความคิดของตัวเองคือถ้าพูดแบบพุทธคือว่าใช้หลักการามสูตรการามสูตรคือว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะข่าวล่ำลือ ยเชื่อเพียงเพราะว่าพูดกันติดต่อต่อกันมาเดี๋ยวนี้เราเชื่อกันเชื่อคนง่ายพอได้ยินใครพูดว่าคนนี้เลวคนนี้นิสัยไม่ดีเราก็เชื่อก่อนละเพียงเพราะว่าเขาพูดหรือว่าเราได้ยินเขาเป็นครั้งแรกเราเชื่อเดี๋ยวนี้คนไทยเชื่อง่ายบางทีมันเป็นข่าวเราก็เชื่อละแต่ว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านคนนี้แกก็ ก็ยังฟังหูไว้หูนะนนี้ก็มันก็เป็นหลักนะชาวผู้ต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวหมายถึงว่าไม่เชื่อข่าวลือหรือว่าแม้กระทังเป็นข่าวหนังสือพิมพ์เพราะว่านี้มันแค่การฟ้องกล่าวหาเฉยๆเธอก็ฟังหูไว้หูก็ไม่ได้สรุปว่าผู้หญิงคนนี้สาวใช้คนนี้ไม่ใช่ขโมยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อน ตอนนี้พอถือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วยังไงเธอก็คิดว่าน่าจะประกันเขาออกมาเพราะว่าถ้าเขาติดคุกแล้วเกิดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยแต่ติดคุกไปแล้วนะมันมันเสียหายก็คิดว่าเมื่ อ, เ ม, อเมื่อคิดว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่ายังอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งห้าิบก็ต้องช่วยเขาก่อนอาแล้วห้าหมื่นบาทเกิดไป เกิดไปที kind of ่ไปประกันนะนะเกิดว่าเขาสาวชายคนนั้นเนี่ยเขาหนีทําไงเธอก็พูดดีนะบอกว่าก็ไม่เสียดายรายเงินห้าหมืนเพราะคิดว่าที่สาวชชยคนนี้มาดูแลพ่อของเธอใช้ขี้เช้เยี่ยวให้สิบวันเนี่ยห้าหมืนก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะวันละห้าพันเพราะว่าถือว่าได้ทําบุญ ได้มีบุญคุณกับเธอนะเพราะว่าเธอไม่มีเวลาไปดูแลพ่อก็มีผู้หญิงคนนี้แหละมาช่วยดูแลพ่อก็ดูแลเท่าที่ผ่านมาสิบวันเธอก็รู้สึกว่าเขาดูแลจริงจริงจังนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่ามีบุญคุณกับเธอและเกิดสาวใช้นี่จะหนีประกันทําให้เธอต้องเสียงเงินห้าหม่นเธอก็ไม่ว่าอะไรนะก็เรียกเป็นคนที่มีความใจกว้างมากแล้วก็มีเมตตากรุณา เราเป็นคนรู้จักใช้ความคิดนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายากเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกเราเรามักจะเชื่อง่ายยิ่งถ้าให้ให้ให้เชื่อระหว่างดารากับสาวใช้เนี่ยเราจะเชื่อใครส่วนใหญ่ก็เชื่อดารานะไม่ค่อยมีใครที่จะไปเชื่อสาวใช้หรอกแต่บางทีก็ไม่แน่ใช่ไหมบางทดาีดาราก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ แล้วคนเรานี่มักจะมองคนยากคนจนว่าเป็นติดลบไวก่อนถ้าเชื่อระหว่างถ้าระหว่างคนรวยคนจนนี่เราก็เชื่อคนรวยก่อนระหว่างคนที่มีการศึกษากับคนที่ไม่มีการศึกษาเราก็เชื่อคนที่มีการศึกษาก่อนนะซึ่งอันนี้นี่มันถ้าไปถ้าไปดูคนในประเทศอื่นอย่างในอเมริกายุโรปเนี่ยมันไม่มีความหมายเลย ระหว่างคนคนรวยคนจนหมายถึงว่าเขาก็เคารพกันไม่ใช่ว่าใครเป็นสาวใช้แล้วเราจะดูถูกเขาอันนี้เขาก็ถือว่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีแต่คนไทยเรานี่ถ้าเป็นสาวใช้แล้วก็ก็จะดูถูกนะเวลาไปโรงแรมไปพักรีสอร์ทแทนที่จะให้พักในห้องที่ ใกลเคียงกันบางทีก็ให้ไปพักที่อื่นไกลๆหรือว่าที่มันเป็นรูหนูเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนี้เจ้าของบ้านงนี้เขาหน้าสนใจนะเพราะว่าเขาไม่เชื่อง่ายไม่เชื่อดาราว่าจะเป็นต้องจะต้องเป็นจริงเสมอไปก็ต้องพิสูจน์นะพิสูจนะ์ยังไงพิสูจน์ที่ศาลนะก็ถ้าเกิดว่าเป็นขโมยจริงก็อ๋อแล้วไปนะก็ไปจ้างคนใหม่มาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธ แล้วไปเชื่อว่าเขาเป็นขโมยนะมันก็เหมือนกับว่าไปตัดสินเขาแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใครบางทีการที่เราตัดสินใครล่วงหน้านี่มันก็ทำให้เกิดความทุกข์นะมีหมอคนหนึ่งแกเป็นหมอที่ดีมากเป็นหมอในชนบเป็นหมอในโรงพยาบาลอาเภอรู้วโรงพยาบาลจังหวัดเป็นหมอหนุ่มไฟแรงแกก็มีอุดมคตินะแล้วก็ แกก็มีหลักการอยู่ข้อนึอ่งคือว่าเวลาตรวจคนไข้ตั้งแต่เช้าเนี่ยแกจะตรวจจนหมดนะจนกระทั่งคนสุดท้ายนี่ได้รับการตรวจไม่ว่ามันจะเลยเวลาเที่ยงไปแล้วหรือยังถึงบ่ายแกก็ยังตรวจนะจะไม่ลาจะไม่บอกคนไข้ว่าเดี๋ยวหยุดก่อนนะผมกินข้าวก่อนนะแล้วตอนบ่ายค่อยมาตรวจใหม่แกจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะแกรู้ว่า ชาวบ้านที่มาหาหมอเนี่ยหลายคนมาจากที่ไกลๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปรอให้เขารอเราให้เรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วให้เขามามารับการตรวจนี่บางทีเขากลับหมู่บ้านไม่ทันนะเพราะว่ารถเข้าหมู่บ้านบางทีก็มีแค่บ่ายสองบ่ายราะฉะนั้นแหะเลยก่อนนั้นก็ไม่ได้แนละวันหนึ่งแกก็แกก็คนไข้ยเยอะมากนะโรงพยาบาลศูนยนะ์ในจังหวัด คนไข้เยอะมากก็ตัวตั ว, ตวคนไข้เป็นร้อยเลยบางทีตัวแค่สามสี่นาทีต่อคนจนเที่ยงก็ยังไม่เสร็จแกก็ตัวนะจนบ่ายกว่าๆนะเลว่าเหนื่อยเลยนะพอแกออกมาจากห้องตรวจคนไข้ไปเจอลุงคนหนึ่งเพิ่งทําบัตรผู้ป่วยนอก กำลังจะมาให้หมอตรวจพอแกเห็นลุงคนนี้แกก็ฉุนขึ้นมาในใจเลยว่าตอนเช้าไม่มาดันจะมาตอนบ่ายนะนี่เขาเลิกกันหมดแล้วนี่พึ่งมาคงนึกตำหนิในใจว่าไม่รู้จักเวลับเวลาก็เลยพูดกับคนไข้ว่าพวกคุณลุงคนนี้ว่าลุงทําไมมาตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวของวันเลยเน้ยเนี่ยอลุงคนนั้นก็บอกขอโทษด้วยนะ บ้านผมอยู่ไกลผมก็ออกมาตั้งแต่ตีสามตีสี่นี่ข้าวเช้าผมยังไม่ได้กินเลยพอลุงคนนี้พูดอย่างนี้หมอนี่อึ้งเลยนะให้เรานี่เป็นทุกข์เพราะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันแต่ว่าลุงคนนี้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ไม่มีไม่รู้เวลาเขารู้เขาถึงออกมาตั้งแต่ตีสามตีสี 3, ่ 4. แต่ว่าหมู่บ้านมันไกลรถก็หา ย, ยากก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราไม่น่า ส่วนสรุปเลยว่าคุณว่าคนไข้คนนี้แย่มีอีกลายหนึง่งนะตรวจคนไข้คนไข้ก็เป็นเด็กนะก็อยู่ในห้องอนาถาเด็กคนนี้ก็มีพ่อเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วเวลาหมอตรวจเวลาหมอออกขึ้นเวนเนี่ยหมอก็จะบอกคนไข้ทุกคน บอกญาติทุกคนว่าเวลาหมอมาเนี่ยให้ญาติอยู่ด้วยโดยเพราะถ้าเป็นเด็กเนี่ยญาติสําคัญมากคือพ่อเนี่ยหรือแม่วันหนึ่งปรากบว่าขึ้นเวรประตรวจเด็กไม่เห็นพ่อพ่อไปไหนก็นึกบนในใจว่านี่พ่อไม่รับผิดชอบเลยอุตสาบอกแล้วว่าถ้าหมอมาตรวจพ่อต้องอยู่นี่ทะเลทไลายไปที่ไหน ก็ไม่พอใจวันลุ่งขึ้นก็ไปตรวจเด็กคนนี้อีกคราวนี้เจอพ่อแล้ว mm hmm. ก็เลยต่อว่าพ่อ mm hmm. ก็ไม่เชิงต่อว่าแต่พูดได้เสียงดูดๆว่าเ mm hmm. มื่อวานนี้หายไปไหนลุงบอกแล้วงไงว่าหมอมาตรวจก็ต้องอยู่กับลูกด้วยนะลุงคนนี้แกก็ขอโทษบอกว่าผมมาเนี่ยผมข้าวที่เอามาเนี่ยข้าสารที่เอามาเนี่ยหมด ก็เลยต้องไปกินกับวัดนะเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัด น, นะนะรอกว่าพระจะฉันเสร็จนะฉันเสร็จก็ต้องยังไม่ได้กินทีเดียวนะก็ต้องล้างจานเก็บถ้วยเก็บชามก่อนแล้วถึงค่อยกินกินข้าวกล่นบาตกว่าจะเสร็จก็มันก็สายแล้วขึ้นมาก็หมอก็มาหาลูกหมอก็ตรวจไปแล้ว หมอได้ยินหมอก็อึ้งเลยนะเพราะว่าพ่อนี่เขาก็มีความจำเป็นนะเขาไม่มีข้าวกิ น, นต้องไปกินจากวัดนะบางทีเราไปคิดว่าเนี่ยเขาที่เขาหายหน้าไปเพราะเขาไม่รับผิดชอบแต่ที่จริงเพราะเขาจำเป็นต่างหากการที่ไปด่วนสรุปนะหรือไปเชื่อสิ่งที่เราเห็นอด้วยสายตามันไม่พอนในหลักกรารมรสุ ก, ก็มีข้อหนึ่ง อย่าเชื่อเพียงเพราะลักษณะอาการมันน่าเชื่อถือพ่อหายหน้าไปแสดงว่าพ่อไม่รับผิดชอบแล้ว น, นั่นเนี่ยสรุปไปแล้วก็ต้องถามก่อนนะจะ ต, ต้องถามกับว่าจริงไหมหรือถามว่าทาไมถึงหายหน้าไปบางทีเขาก็มีเหตุผลที่เขาไม่สามารถจำมาได้ดังการที่เรา เห็นใครทำอะไรบางอย่างไม่ถูกใจแล้วก็สรุปล่วงหน้าไปแล้วหรือว่าตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ดีเขาไม่เอาใจใส่เนี่ยบางทีมันเกิดปัญหาได้ก็เดี๋ยวนี้เราเวลาเราฟังข่าวเราดูข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เชื่อเลยนะโดยเพพาะถ้าได้ฟังได้อ่านครั้งแรกเชื่อทันทีไม่ได้คิดเผื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น ยิ่งถ้าเป็นข่าวดาราบอกว่าสาวใช้ขโมยนี่เราเชื่อทันทีแล้วว่าอีกแล้วนะเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะเพราะว่าเรามักจะเชื่อคนมีการศึกษามากกว่าคนที่ยากจนนะนี่ก็เป็นเรื่องที่หน้าหน้าพิจารณาแล้วก็คิดถึงความใจกว้างนะเขาเรียกว่านอกจากไป นอกจากยังจ้างยังคิดจะจ้างสาวใช้คนนี้ต่อไปแล้วก็ยังยังกล้าที่จะจ่ายเงินเพื่อประกันตัวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอามองคนในแง่ดีด้วยแต่เขาก็เผื่อใจไว้นะว่าถึงแม้ว่าเงินห้าหมื่นจะสูญไปก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเขาดูแลพ่อเราดีนะสิบวันก็ คือว่าได้ทําบุญคุณบางทีเวลาเราเจอใครเจอเหตุการณ์บางอย่างนะเราไม่แน่ใจว่าเขาโกหกหรือเปล่าเขาโกงหรือเปล่าอย่างคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยหลายคนจะเจอนะประเภทว่ามีคนมาขอเงินบางทีกําลังกินอาหารอยู่ก็มีคนมาขอเงินหรือว่ากําลังอยู่บนสถานอยู่แถวสถานีบขสก็มีคนมาขอเงินนะมาขอเงินแล้วก็บอกว่า กระเป๋าเงินถูกขโมยไปเอาเงินถูกขโมยต้องรีบกลับบ้านด่วนแต่ไม่มีเงินค่าโดยสารกลับบ้านเวลาเจอคนมาขอเงินแบบนี้ทำยังไงนะถ้าเปตมาตมาให้นะทั้งนั้นที่รู้ว่าโอกาสจะโอกาสที่เขาจะหลอกก็มีเยอะโอกาสที่เขาจะหลอกเราก็มีเยอะแล้วก็มันก็มีแบบนี้อยู่มากแต่ก็เผื่อใจว่าไอ้คนที่ มันเดือดร้อนจริงๆก็มีคนที่เดือดร้อนจริงๆก็มีและคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มีเงินเพราะเขาถูกขโมยไปแล้วเขามีเรื่องด่วนต้องกลับไปหาพ่อแม่พ่อพ่อแม่กาลังป่วยแล้วเกิดขอใครไม่มีใครให้สักคนเพราะคิดว่าเขาโกงเขาจะรู้สึกอย่างไรให้คนที่บางทีก็เป็นคนดีนะแต่ว่าเวลาเดือดร้อนขึ้นมาทุกคนเมินหน้าเพราะคิดว่าเขาจน หรือว่าเขาเป็นขโมยอาตมาก็เผื่อแบบนี้ไว้ด้วยว่าเอาเกิดมีคนที่บริสุทธิ์เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเราไม่ให้เขานี่มันทำร้ายจิตใจเขาเขาคิดคิดว่าทําไมเราทําความดีมาแต่ทําไมเวลาเราเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเราเลยอาตมาก็ให้เผื่อใจไว้ว่าเออเกิดแล้วก็เผื่อใจว่าอาจจะเป็นขโมยก็ได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะเป็นขโมยแต่ว่าถ้าเราไม่ให้แล้วเขาเกิดเป็นคนดีนะ มันเกิดผลเสียต่อจิตใจเขามากกว่าไอ้เงินเราให้ไปร้อยสองรอไม่เท่าไหรหรอกนะแต่ว่าการที่เราไม่ให้เขาปฏิเสธเขานี่มันมันบั่นทอนจิตใจเขามากนะทําให้เขารู้สึกแย่กับโลกว่าทําไมโลกมันเต็มไปด้วยคนโหดร้ายอัตมาก็เคยเจอในะเวลาทะเลาะไม่เคยเจอเคยไปเคยนะเคยไปไปทําบีซ่าที่อเมริกา คำวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นนะตอนนั้นอยู่อเมริกาอยู่ชิคาโก้ได้สถานกองศุล น, นะเขาไม่รับเงินสดนะเขารับเขารับแต่เช็คเขาไม่รับเงินสดนะถ้ามามีเงินสดเขาไม่รับเขาจะรับเช็คแล้วพระอย่างตมามจะมีเช็คได้ยังไงใช่หไหมสุดยเลยครนนี้แค่สิบเหรียญเท่านั้นแหละโอ้ต้องลงมาจากตึกยี่สิบชั้นลงมาเพื่อที่จะหาขอเงินขอเพื่อที่จะขอเงิน ขอเงินคนนะคือเราไม่ได้ขอเงินฟรีๆเราจะขอให้เขาเซ็นเช็คให้เราแล้วเราก็ให้เงินสดเข้าไปสิบเลี้ยงแค่นั้นแหละบางทีเรายังไม่กล้าขอเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะมาคิดว่าเรามาไถานะ่แต่ว่าเวลาอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้บางทีนะบางทีคนเรามันอยู่มีความจําเป็นต้องบางหน้าขอความช่วยเหลือลจากคนก็ไม่อยากทําแต่มันจําเป็นนะแล้วก็ ถ้าไม่ทําก็มีปัญหาเพราะว่าตั๋วก็ซื้อไว้แล้วนะกําหนดออกก็ออกไว้แล้วแล้วเราก็มีเวลาอยู่ชิคาโก้แค่ไม่กี่ไม่แค่วันสองวันเท่านั้นแหละถ้าขอบีซ่าไม่ได้นี่เกิดเรื่องเลยนะกระทบหมดนะแต่บังเอิญ น, นะเจอคนรู้จักอ้าวโชคดีไปเขาก็มีเช็คให้ให้เราแต่เวลาเราอยู่ในสถานการณ์เรารู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยมันจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือลจากคน แต่คนก็มักจะมองว่าไอ้แบบนี้มันต้องมาหลอกแน่เลยให้เราเวลาเราเจอใครที่เขาเราไม่แน่ใจว่าเขาหลอกหรือไม่หลอกเนี่ยถ้าเราพอจะช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยเขาไปเถอะนะมันก็ถือว่าถ้าเขาหลอกก็ถือว่าก็เสียคางโง่ไปแต่ถ้าเขาไม่หลอกเขาเป็นคนที่เดือดร้อนจริงเราก็ถือว่าช่วยสงเคราะห์ให้เขามีมีเรี้ยวมีแรงเกิดว่าพอเขากำลังจะตายจริงๆแล้วเขาจะกลับไปทําเนี่ยมันก็มีมีอันที่สงมาก แต่ถ้าเขาพ่อเขาจะตายจริงแต่เราไม่ให้เงินเขาแล้วเขาขอใครไม่ได้เลยมันทำร้ายจิตใจเขามากเหลือเกินเป็นตรบาบาปไปจนตายไม่คุ้มกันเลยเอาล่ะเตรียมรับพร